สิทธัสคื อ, คอบัมเพญบารมีทานบารมีหนึ่งนะพระองค์บัมเพญทานบารมีสองทรงบัมเพญศีลบารมีสมพระองค์ทรงบัมเพญเนคขมะบารมีสีพระองค์บัมเพญปัญญาบารมีต่อไปคนมีปัญญาจะได้ผลมากต้องมีวิริยะบารมีวิริยะนั้นจะได้รับอนิสงฆ์มากต่อเมื่อมีเมขันติบารมีคนที่มีขันติ ขันตินั้นจะมีนิสงมากก็ต่อเมื่อมีมีสัจจะคนที่มีสัจจะนั้นจะต้องมีอธิฐานผู้ที่มีอธิฐานต้องมีเมตตาผู้ที่มีเมตตาต้องไม่ยึดติดไม่ยึดข้องเรียกว่าอุเบกขาเพราะฉะนั้นบารมีธรรมทั้งสิประการเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณคือบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายนั้นๆข้อปฏิบัติที่ให้ถึงเป้าหมายนั้นก็ย่อมมีอยู่ฉันได้ก็เหมือนกับทางโลกที่ทํามาหากินจนประสบความสําเร็จเพราะนั้นแนวทางวิถีชีวิตของเขานั้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติจึงสมควรแก่แก่ผลที่เขาได้รับนั้นๆในทางธรรมก็เหมือนกันกุศลจิตก็เหมือนกันผู้ที่จะมีกุศลจิต ที่มีมีคุณมากเป็นกุศลจิต ท, ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากุศลจิตเหล่านี้ก็ต้องผ่านการอบรมกุศลจิตเหล่านี้ต้องผ่านการสั่งสมที่เรียกว่าบารมีไปแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าที่พระองค์จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็สั่งสมบารมีมาเหมือนกันครั้งก่อนๆเคยเอาเช่นศีลบารมีทานบารมีมากล่าว วันนี้ก็ขอกล่าวถึงพระปัญญาบารมีบ้างว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาของพระองค์นั้นเป็นปัญญาที่ว่องไวผู้ที่จะมีปัญญาได้ไวได้คล่องแคล่วผู้นั้นพิจารณาเรื่องอันนี้จังมากทายักฉลาดเยอะๆนะพิจารณาเรื่องอันนี้จังมากคนนั้นจึงจะมีปัญญาเล่นปัญญาไวที่เรียกชาวะปัญญา ผู้ที่เชิญาอา น, นิจจังอะไรอั น, นิจจังโอ้ทุกสิ่งอั น, นิจจังหมดแหละสิ่งไหนบ้างตาก็เป็นอั น, นิจจังสีที่เห็นก็เป็นอั น, นิจจังหูก็เป็นอั น, นิจจังเสียงที่ได้ยินก็เป็นอั น, นิจจังไม่มีคำไหนที่จะก้องอยู่ตลอดเวลาแต่และคำมีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจมูกเลนกายใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็น อนิจจังก็คือที่ใช้คําว่าอนิจจังเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หมดไปสิ่งใดเมื่อจากเดิมไม่มีแต่มีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปลักษณะที่มีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เขาเรียกว่าอนิจจสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะมีความบีบคั้นอยู่ในตัวทั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะไม่ควรค่าแก่การยึดถือยึดถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้ทั้นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกับต้นกล้วยนะั่นแหละก็เคยเห็นต้นกล้วยนะเอาต้นกล้วยมาทําเป็นเสาบ้านได้ไหมไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่นต้นกล้วยไม่มีแก่นก็ลองดูนะถ้าจะเอามาทําเป็นเสาบ้านก็ต้องถากให้มันเป็นเหลี่ยมหรือเป็นกลมเหมอนน ไปเห็นต้นกล้วยต้นหนุ่มง่ามตรงเด่งเนี่ยนะยาวสักหลายหเมตรหน่อยก็ตัดหัวตัดท้ายแม้ฟันชับเดียวเข้าไปเนี่ยโคนก็ขาดฟันก็ไปชับหนึ่งปลายก็ขาดโอ้ตัดง่ายลอกออกมาทีละกาบทีละกาบกระพียยังหาไม่เจอเลยนะไม่ต้องพูดถึงแก่นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันสังขารทั้งหลายไม่มีแก่นแต่มีอยู่นะสังขารเหล่านี้มีอยู่แต่ไม่เที่ยง มีแล้วก็หมดไปเพราะฉนั้นความรู้เหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ใดอบรมสะสมมากจะทําให้มีปัญญาไวสามารถที่จะอย่างถึงในสรรพสิ่งได้พระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาว่องไวขนาดนี้แหละแล้วก็ปัญญาของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะในอดีตชาติพระองค์ก็สั่งสมพระปัญญามาแล้วจึงได้มีพระปัญญาอย่างมากมาย ในอดีตชาติแต่สมัยเป็นเด็กเล็กๆเด็กอายุเจ็ดขวบแก้ผ้าตอปัญหาระดับพระราชาได้ก็คือคนที่มีปัญญาสะสมมานานเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นอันของเราทั้งหลายถ้าเราสะสมปัญญาพบต่ อ, ตอไปพบต่อไปอีกนานไหมจะอยู่อีกกี่ปีดินะอย่าไปคิดว่ามันยาวนะพบต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีก็สะสมให้ชีวิตไปเถอะ บางคนก็บอกโอ้ชาตินี้เกิดมาทุกข์เหลือเกินท่านเอ้ยเอย้นั่นแหละทำไมทําบุญไว้อีกนะชาติหน้าทุกข์กว่านี้อีกมันลดไปเรื่อยๆเร ย, เ, ร ย, เ, รยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตชีวิตของสัตว์ทั้งหลายชีวิตเที่ยงมีไหมไม่มีเนาะชีวิตนี้น้อยนะเหมือนหยาดน้ําค้างบนยอดหยอดปัญญาของพระองค์นั้นมีตั้งแต่สมัยอดีตชาติเรื่องในอดีตได้กล่าวถึงปัญญาของพระผู้มีพระภาคว่า ในส่นอดีตนั้นมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าทนัญชยะโกรพยะสเสวยราชสมบัติในอินทปักนครแคว้นกุรุเป็นพระราชานะเป็นพระราชาปั๊บมีปุโรหิตปุโรหิตที่ปรึกษาเนี่ยหรือเป็นอาจารย์ของพระราชาชื่อว่าสุจิรตะสุจีรตะพรามนี่ก็เป็นผู้ว่ากล่าวสั่งสอนอัดธรรมของพระ อ, องค์ มีพระราชาแม้แต่พระราชาก็ยังมีคนแนะนำมีคนสั่งสอนเหมือนกันพระราชานั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลมีทานเป็นต้นทรงครองราชสมบัติโดยทศพิตราชจะทำเรียกว่าหลักการบริหารทั่วไปพระราชาพระองค์นี้ปกครองมีให้ขาดตกบกพร่องทีนี้วันหนึ่งพระองค์นั้นจะทรงถกปัญหาชื่อว่าธรรมยาคะคือปัญหาเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตปัญหาเกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติก็เลยเชิญสุจีรตพราม์ผู้เป็นอาจารย์ให้นั่งบนอาสนะทมสการะแล้วก็ถามปัญหาอาจาย์ก็คือมีการเชิญอาจารย์มาเลี้ยงดูอย่างดีก่อนเลี้ยงดูเบ็ดเสร็จแล้วก็ถามปัญหาเขาถามปัญหาว่าวันหลังโยมก็เอามาถามแบบนี้มั่งก็ได้นะไม่เป็นไรตอบไม่ได้เดี๋ยววันหลังมเอามาตอบตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้ ถ้าเรามาถามมังก์แจวเลยบอกว่าคําถามเขามีว่าท่านอาจารย์สุจีรตะเราทั้งหลายได้ราชสมบัติและได้ความเป็นใหญ่แล้วเรียกว่ามียศมีตําแหน่งปกครองบ้านปกครองเมืองหมดแล้วยังปรารถนาจะได้ความเป็นใหญ่ยิ่งขึ้นอ่ะอยากโตมากยิ่งกว่านี้จะทํายังไงว่างั้นเถอะเพื่อปราบดาพิเศษครอบครองพื้นแผ่นปฐพีปกครองบ้านเมืองขนาดนี้ยถ้าอยากจะปกครองระดับโลกเนี่ยจะทํายังไง แต่การปกครองนั้นต้องเป็นโดยธรรมไม่ใช่โดยอาธรรมม า, มาสอนให้รบไม่ได้นะการปกครองทั้งหมดนี่นต้องเป็นโดยธรรมะเราหาชอบใจอาธรรมไม่อาธรรมก็คืออากุศลดูก่อนท่านอาจารย์สุจีรตะการประพฤติธรรมเป็นกิจของพระราชาโดยแท้อันกิจก็คือหน้าที่หน้าที่ของพระราชาก็เป็นผู้ที่หนักแน่นในธรรมมั่นคงในธรรม เมื่อพระราชาประพฤติ ธ, ธรรมสนมกำนันนางในก็จะประพฤติ ธ, ธรรมด้วยเมื่อพระราชาประพฤติ ธ, ธรรมเหล่าอมารคขราชการก็ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยเมื่อพระราชาประพฤติ ธ, ธรรมชาวชนบทแวนแควนก็จะประพฤติ ธ, ธรรมด้วยดูก่อนท่านอาจารย์สุจีรตะเราทั้งหลายจะไม่ถูกนินทาในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุใดทำยังไงนะเกิดมาในชาตินี้คนจะได้ไม่ตาหนิ แล้วก็ชาติหน้าต่อไปใครก็ไม่ว่าร้ายใครก็ไม่นินทาและจะได้รับเกียรติยศในเทวดาและมนุษย์ด้วยเหตุใดขอท่านจงบอกเหตุนั้นบอกเหตุนั้นแก่เราดูก่อนพราหมณ์เราปรารถนจาจักกรธรรมตามอัตและธรรมะเราถามท่านแลว้วขอท่านจงบอกอัตบอกธรรมะนั้นเถิดเรียกว่ามาถามข้อประพฤติข้อปฏิบัติจะปฏิบัติตัวยังไง จึงจะได้ยศมากยิ่งขึ้นไปอีกจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะไม่มีใครนินทาไม่มีใครว่าร้ายจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเป็นไปตามอัตตามธรรมที่เรียกว่าได้รับสาระประโยชน์อย่างเต็มที่ดูก่อนพราหมณ์เราปรารถนจาจักรธรรมด้วยสมาทานแล้วประพฤติด้วยนะอยากฟังข้อปฏิบัติแล้วเอามาปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆซึ่งอัถะคือผลวิบากแห่งธรรมะ ซึ่งเหตุแห่งผลนั้นและยังอัฏฐธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นด้วยสามารถปฏิบัติเหตุและอยากให้ผลเกิดด้วยถามข้อปฏิบัติอย่างนี้ขึ้นเมื่อเราปรารถนาจะขึ้นสู่หนทางอันยังให้สัตว์ถึงพระนิพพานโดยสะดวกเป็นผู้หาปฏิสนที่ไม่ได้ก็คือข้าพเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเชื่อว่าปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน แล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะพ้นจากการเกิดของเราตอบได้ไหมถ้าพระราชาเขามาถามเราอย่างนี้เออปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากการเกิดปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานถ้ามีคนมาถามเราบอกเขาว่ายังไงดีพวกกันเอาปฏิบัติตามมรมีองค์แปดเลยเนาะย่งั้นก็พอได้แล้วบอกมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แต่ถ้าไม่เคยฟังมาเลยเนี่ยตอบได้ไหมปัญหานี่แล้วตอบได้นี้คิดว่าเราจะตอบอยังไงให้เข้าเอาไปใช้ปฏิบัติได้เลยต้องปฏิบัติในสุจริตสามให้ได้ก่อนเนาะสุจริตก็แปลว่าความความประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางใจเออถ้าทําดีอย่างนี้แล้วจะทํางไงต่อยอทําดีขนาดนี้แล้วสมมตุติเราก็กายเราก็ดีแล้วจะไม่นั่งอยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้ววาจาก็ดีแล้วไม่พูดสักคําเลยอคิดดูนะ แล้วจิตนี่ก็นั่งฟังอย่างเดียวเอ๊ะจะให้มันดีกว่านี้ขึ้นต่อไปทํำยังไงอีกพราะะฉนั้นถ้าหากว่าเราได้ความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจยอย่างนี้แล้วส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้เรื่องของชีวิตสามารถที่จะแยกย่อยเรื่องของชีวิตได้อย่างละเอียดโดยแง่มุมต่างๆการแยกย่อยเรื่องชีวิตโดยแง่มุมต่างๆสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือชีวิตของเรา อย่าลืมนะบุญกับบาปส่วนไหนเป็นส่วนบุญส่วนไหนเป็นส่วนบาปส่วนไหนเป็นอัพยากตาธรรมต้องแยกแยะได้แยกแยะว่าอะไรคือกรรมอะไรคือผลของกรรมนั่งอยู่นี่มีกรรมไหมนั่งอยู่นี้มีกรรมอะไรเป็นกรรมเจตนานน้าเป็นกรรมเจตนาอย่างไรจึงจะเป็นกรรมเจตนาที่คิดเพื่อที่จะฟังนี่แหละเจตนาที่คิดตัวนี้แหละคือตัวกรรม เจตนาที่ใครจะรู้ใครจะฟังเจตนาตัวนี้เป็นเจตนากรรมกรรมตัวนี้ให้ผลอย่างไรเจตนาตัวนี้ผลของเขาบางอย่างก็เป็นที่ถ้าทมเวทนิยกรรมเมื่อวานว่าไปแล้วนะเจตนาตัวนี้ที่ตั้งอกตั้งใจนะไอตัวเจตนาตัวนั้นบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างให้ผลในชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนี่คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิบากบางอย่างนะ เช่นโสตวิญญาณก็เป็นผลของกรรมในอดีตกรรมในอดีโตโสตวิญญาณนะเนี่ยจะว่าเสียงอาตมาก็เป็นผลของกรรมอีกยุ่งเลยเสียงที่ดังๆนี่ผลของเครื่องเสียงแต่ว่าไอโสตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผลของกรรมจิตนึกคิดพอฟังปุ๊บคิดต่อไปอีกทกํากรรมใหม่อีกแล้วไปไหนดีสแสวงหาพบใหม่เรื่อยนะเออนะเจตนากรรมนี่เกิดขึ้นในจิตของผู้ใดผู้นั้นสแสวงหาพบใหม่แล้ว สแสวงหาพบใหม่ทุกๆเจตนาที่เป็นปลายทางกายวาจาและใจขนาดนั่งนี่หนึ่งยังเป็นกรรมอะคิดดูไม่ต้องกล่าวถึงพูดนั่งเฉยๆเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่ทํากรรมเลยฉันจะนั่งเฉยๆนี่แหละจะได้ไม่เป็นกรรมนั่นก็กรรมเหมือนกันเพราะขณะนั้นก็เป็นเจตนาที่คิดนึกแบบนั้นเพรา ะ, ะปัญหานี้ที่พระราชาถามสุจิรพราเป็นปัญหาที่ลึกซึ้ง เป็นวิสัยหรือแปลว่าเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นปัญหาระดับพระพุทธเจ้าตอบ <c oughs> เพราะฉะนั้นควรที่จะถามพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อพระสัพพัญยูพุทธเจ้าไม่มีก็ควรถามพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงจะตอบปัญหาลักษณะนี้ได้ก็เพราะสุจีระดับปุโรหิตมิใช่พระโพธิสัตว์จึงไม่สา ม, มารถที่จะแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยถวายได้ เมื่อไม่สามารถก็ไม่ทำการถือตนว่าเป็นบัณฑิตก็ไม่อวดอ้างสรรพคุณที่ไม่มีอยู่จริงอนะก็เลยกราบทูลความที่ตนไม่ทราบว่าขอเดชะพระคติอารักษพระองค์ทรงปรารถนาจะปฏิบัติตามอัตและตามธรรมะใดนอกจากวิธุรพราหมณ์แล้วไม่มีใครอื่นที่จะสมควรชี้แจงอัฏฐะและธรรมะนั้นได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ วิทุรพราหมณ์หรือวิทุรบัณฑิตผู้ที่จะตอบปัญหานี้ไม่ได้หรอกว่าไ ง, งเขาไม่บอกตรงๆว่าข้าพาเจ้าตอบไม่ได้หรอกเขาบอกว่ามีคนที่ตอบได้อยู่แปลตรงๆว่าข้าพาเจ้าตอบไม่ได้ดูกันมหาราชเจ้าปัญหานี้ไม่ใช่วิสัยของคนเช่นข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นเบื้องต้นเบื้องปลายของปัญหาเหล่านั้นเลยเขามาถามว่าปัญหาจะปฏิบัติตามอัดตามธรรมอัฐามีกี่อย่าง อัฏฐ์คำว่าอัถฐอัถฐมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันธรรมะมีอยู่ห้าอย่างเพราะฉะนั้นอัถฐนะหนึ่งสิ่งที่เกิดด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยประชุมขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าอัถฐ์หนึ่งสองนิพพานนิพพานก็ชื่อว่าเป็นอัถฐแต่เป็นอัถฐที่ควรปฏิบัติควรประพฤติให้ถึงสามวิบากจิต พวกวิบากทั้งหลายก็เป็นอัฏฐะเหมือนกันกิริยาจิตก็เป็นอัฏฐะงั้นแม้กระทั่งวิบากจิตพวกนี้ยังเป็นอัฏฐะทีนี้แล้วธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือตัวปัจจัยสิ่งใดที่ทําให้ผลเกิดขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะอริยมรรคก็เป็นธรรมะกุศลและอกุศลก็เป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะเนี่ยจึงกว้างขวางมากอยากรู้อัตถะอยากรู้ธรรมะนั้นคําว่าธรรมะนั้นจึงไม่ใช่ของง่ายนะัดก็คือพวกกุศลอกุศลอัพยากตะนั่นแหละอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรเป็นสุขเวทนาอะไรเป็นทุกขเวทนาอะไรเป็นอุเบกขาเวทนานั้นปัญหาเหล่านี้นั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะแก้ได้ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าผู้ที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็มีแต่ราชชุปโรหิตของพระเจ้าพาราณสีชื่อว่าวิทูรพราหม์เขาจะพึงเฉลยปัญหานั้นได้เว้นเขาเสียแล้วใครอื่นก็ไม่สามารถที่จะแสดงอัฏฐธรรมะที่พระองค์ทรงปรารถนาจะกระทำได้ตอบไม่ได้หรอกพระราชาฟังถ้อยคำของสุจีรตพราหม์แล้วไเลยสั่งว่าท่านพราหม์เออถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบไปยังสานักของวิทูรพราหมเ์เถิด มีพระประสงค์จะส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชฐานก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์สุจิรตะมาเถิดท่านเราจะส่งท่านไปยังสำนักของวิทูรพราหมณ์ท่านจงนำเอาทองคำแท่งนี้ไปมอบให้เพื่อรับคำอธิบายซึ่งอัดและทาเอาทองนี้ไปเอาไปบรรณาการเขาเสร็จแล้วก็สั่งให้เอาแผ่นทองเนี่ยมีราคาหนึ่งแสนมาตีเป็นแผ่น แล้วก็จารึกคําวิสัชนาปัญหาเขียนปัญหาลงไปในแผ่นทองเสร็จแล้วเอาแผ่นทองเนี่ยนะเอาปัญหาเนี่ยไปถามถามเสร็จจารึกเขียนลงในแผ่นทองเลยเหมือนั้นแล้วก็ให้จัดยานพาหนะสําหรับเดินจัดพลนิกายสําหรับเป็นบริวารและก็จัดเครื่องราชบรรณาการเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งไปในขณะนั้นทีเดียวอยากจะรู้ว่าปัญหานี้ใครจะตอบได้ขนาดปุโรหิตเป็นใหญ่เป็นโตในระดับบ้านเมืองยังตอบปัญหาอันนี้ไม่ได้ ก็เลยส่งไปส่วนสุจิรพราหมณ์ก็ออกจากนครอินทปัตแล้วก็ตรงไปอย่างพระนครพาราณสีทีเดียวไม่คือพอออกจากเมืองปั๊บไม่ดิ่งไปหาเมืองพาราณสีเลยแต่เขารู้ว่าบัณฑิตมีอยู่ในที่ไหนที่ไหนเขาก็ไปที่นั้นนหะบัณฑิตโอบานโนน่ะมีบัณฑิตมีเศรษฐีอยู่คนนึงเป็นนักปราดเข้าไปหานักปราดคนนั้นก่อนไปถามปัญหาก่อน ทีนี้ก็ไปจนทั่วก็ไม่ได้รับผลกล่าวคือการแก้ปัญหาในชมพูทวีปไปถามใครๆก็ตอบไม่ได้ปัญหาธรรมะเนี่ยอ้ตอบยากจริงไปอย่างนี้จนสิ้นชมพูทวีปจนบรรลุ ถ, ถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับยึดเอาที่พักที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปอย่างนิเวศของวิทุรพราหม์วิทุรพราหม์นั้นก็เป็นเพื่อนของสุจีรตพราหม์เขาก็เป็นเพื่อนกันนะนะ พร้อมด้วยคนใช้สองสามคนในเวลาอาหารเช้าบอกเล่าทุระที่ตนมาให้ทราบ พ, พอมาถึงบ้านของวิทุรพรามปั๊บสั่งให้คนไปบอกออวัาสุจีรตะพรามเนี่ยผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกรพยะเนี่ยมาเพางั้นวิทุรพรามก็เลยเชิญให้เข้าไปทีนี้เข้าไปในขณะกำลังรับประทานอาหารอยู่ในเรือนของตนเพราะฉะนั้นพรามนั้นก็ไปถึงสำนัก ของวิทูรพราหมณ์เสร็จก็กําลังบริโภคอาหารก็สุจิรพราหมณ์นั้นสมัยเป็นเด็กเป็นเพื่อนกันกันกบวิทูรพราหมณ์เรียนสํานักศิลปะวิทยาในสํานักอาจารย์เดียวกันเพราะฉะนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารกับท่านวิทูรพราหมณ์ทันทีทั้งคู่ก็มาถึงก็ตอนรับข้าวปลาอาหารเลี้ยงกันอย่างอิ่มน้ํำสำราญหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนั่งพักสบายแล้วก็เลยถามว่าเออเพื่อนรัก ท่านมาธุระอะไรนะวิธุรพรามก็ถามสุจิรตัาพรามมาทําไมเราเพื่อนก็เลยบอกเหตุที่มาว่าพระเจ้าโกรพยราชผู้ทรงเรืองยศทรงทรงเราเป็นทูตมาพระเจ้าโกรพยพผู้ยุทธิธิรโคสดํารัดถามถึงอัถฐและธรรมะได้ตรัสดังนี้แล้ววิธุระสหายรักท่านถูกถามถึงอัถฐและธรรมะนั้นแล้วการุณาบอกเราด้วยถามปัญหาหน่อยเถอะ อัฏฐธรรมะนี่มันเป็นยังไงบอกหน่อยครั้งนั้นวิทูรพราม์ก็เลยคิดว่าอเรากําหนดจิตของมหาชนดังนี้อยู่วุ่นอยู่กับการวินิจฉัยความเขาก็เป็นปุโรหิตอยู่เหมือนกันมั่วแต่ดูแลปกครองบ้านปกครองเมืองคล้ายกับปิดกั้นแม่น้ำํำคงคาไม่มีโอกาสที่จะแก้ปัญหานั้นได้ก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพรามณ์เราคิดว่าจะ ก, กั้นแม่น้ำํำคงคาแต่ก็ไม่อาจา ก, กั้นแม่น้ําใหญ่นั้นได้ เพราะเหตุนั้นโอกาสนั้นจักมีได้อย่างไรเมื่อท่านถามถึงอัตและธรรมะเราก็ไม่อาจจะบอกกับท่านได้อูผมมีงานมากวันๆหนึ่งคิดเยอะฟุ้งซ่านมากต่อปัญหานี้ไม่ได้หรอกเอาเหตุผลอย่างอื่นมาอ้างอะ่นะตอบไม่ได้อธิบายว่าดูก่อนครามสหายเรานี้เกิดความกังวลขวนขวายว่าจักปิดกั้นแม่น้ํำคงคาคือคติจิตต่างๆของมหาชนมัวคอยไปห้ามประหำแบบคนโน้นอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้นะ คอยจะดูแลเอาใจใส่คนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถจะกั้นเสียงอันดังนั้นได้เพราะฉะนั้นจักได้โอกาสอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสไม่มีเราก็วิสัชนาชี้แจงแก่ท่านไม่ได้สรุปแปล ง, ง่ายๆว่าตอบท่านไม่ได้ดอฟเมื่อไม่ได้ความที่จิตแน่วแน่และไม่มีโอกาสถึงจะถูกถามก็ไม่สามารถจะบอกอัฏะและธรรมะแก่ท่านได้ ทีนี้วิถุรพรามณ์กล่าวอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออลูกชายของเรานี่เป็นคนฉลาดนะมีปัญญาปราดเปรื่องกว่าเราอีกพรามณ์นี่ก็บอกผมมีลูกลูกผมเก่งกว่าผมอีกเหมืนั้นพ่อไปยกให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะพยากรณ์ปัญหาแก่ท่านได้ก็เลยบอกว่าแต่พัทการะคู่เป็นบุตรเกิดแต่อกของเรามีอยู่แปลว่าโอรส น, นะนะโอรสคือว่าลูกที่เกิดจากอกเพราะฉะนั้นเชิญท่านไปถามอัฏฐะและธรรมะกับเธอดูเถิด ท่านพราม์ไปถามลูกชายคนโตเราก็แล้วกันโอ้ลูกชายเรานี่ฉลาดกว่าเราอีกสุจิรตพราหมณ์ฟังดังนั้นก็เลยออกจากบ้านของวิถุรพรามณ์ผู้เป็นสหายเข้าไปยังบ้านของพัทธการะมานกทีนี้ในเวลาที่เธอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทของตนพอดีเลยพัทธการมานพเนี่ยก็นั่งอยู่ใช่ไหมบริวารห้อมล้อมเต็มไปหมดทีนี้สุจิรพราหมณ์นี่ก็ เข้าไปในบ้านนั้นแล้วเห็นพัตการะมานบจัดการต้อนรับทำสการะและเคารพแล้วก็ถูกถามถึงเหตุที่มาก็ถามถึงเหตุที่มาเอ้อท่านพราหมณ์ท่านเป็นเพื่อนของพ่องันนั้นก็นับว่าเป็นพ่อด้วยนั่นแหละท่านมาทําไมสุจีรตพราหมณ์ก็บอกว่าเราเป็นราชทูตของพระเจ้าโกรพยราชผู้ยงยศทรงส่งมา ถ้าองค์ผู้ยุทธิธิรโครตตรัสถามถึงอัฏฐะและธรรมะได้ตรัสอางนี้แล้วดูก่อนท่านพัทธการะมานพเพรา ะ, ะเธอจงบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นแก่เราด้วยมาถามปัญหาอัฏฐะมาถามปัญหาธรรมะพัทธการะมานพก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านสุจิรพรามณ์ข้าแต่คุณพ่อตอนนี้ข้าพเจ้าเคลื่อนเคลือคล่ อ, อยู่ในปราริกกรรมทุกทุกวันพ่อว่งางั้น พอมาในช่วงนี้ผมแอบรักเมียชาวบ้านเขาอยู่พอดีเลยฉะนั้นผมตอบปัญหาพ่อไม่น่าลบปรทาริกกรรมนีแ่แปลว่าประนีแ่แปลว่าอื่นทาริกาแปลว่าภรรยาผมเนี่ยทํากรรมไปเคลือนเคลื่แอบรักเมียชาวบ้านเขาอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นจิตของข้าพ่มัวหมองด้วยเหตุนั้นจึงไม่สามารถจะวิสัชนาปัญหาแก่ท่านได้โอ้ตอบไม่ได้หรอกพ่อเอ้ยอย่างนั้นแต่ว่าน้องชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสันชัย มียานประเสริฐกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักโอ้น้องฉลาดกว่ น, นี้เป็นเยอะเหมือนนเชิญท่านไปถามเขาเถอะเขาก็จะแก้ปัญหาของท่านได้อย่างนี้แล้วก็กล่าวกับท่านสุจิรตพราหมีว่าข้าพเจ้านี้เหมือนคนทิ้งหาบเนื้อแล้วก็วิ่งตามเหี้ยไปก็คือมีเนื้ออยู่ใช่ไหมหาบเนื้อได้เนื้อมันั้งหาบหนึงเห็นเหี้ยปั๊บนะมทิ้งหาบเนื้อวิ่งตามเหี้ยไปเลย ถึงจะถูกถามอัดและธรรมะก็ไม่สามารถจะบอกแกท่านได้ข้าแต่ท่านพรามสุจีรตะน้องชายของข้าพเจ้าชื่อว่าสันชัยมีอยู่เชิญท่านไปถามอัดถาและธรรมะกับเธอดู ก, ก่อนเธออธิบายว่าบุรุษหาบเนื้อเดินทางไปพบลูกเหี้ยในระหว่างทางจึงทิ้งหาบเนื้อเสียไล่ติดตามลูกเหี้ยนั้นฉันใดเหี้ยก็คือประเภทตะกวดสัตว์สี่เท้ามุงเทพเรียกตัวเงินตัวทองอ่ะ ข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละทอดทิ้งภรรยาผู้อยู่ในอำนาจในเรือนของตัวก็มัวติดตามติดพันหญิงอื่นที่ผู้อื่นรักษาคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจทาไม่ปรากฏซักอย่างอนะรักแต่มีชาวบ้านเขาอยู่นั่นแหละแต่ก็บอกเออว่าเขามีคนเก่งอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ไปถามสันชัยเธอสันชัยน้องของข้าพเจ้านี่ฉลาดกว่านี้ ขณะนั้นเองสุจิรตพราหมณ์ก็ไปยังบ้านของสันชัยกุมารลูกคนที่สองของวิทูรบัณฑิตสันชัยกุมารก็ทําสการะเทารพบก็ถามถึงเหตุที่มาว่าท่านพราหมณ์มืงองกันท่านมาทําไมเร้อเหมืันกันมีธุระอะไรคุณพ่อสุจิรตพราหมณ์ก็บอกว่าเราเป็นราชทูษของพระเจ้าโกรพยะ ผู้ทรงยศทรงมาพระองค์ผู้ยุทธิถิลาโคตตรัสถามอัฏฐะถึงธรรมะได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนสัญชัยกุมารเจ้าถูกเราถามแล้วจงบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นเถิดถามปัญหาอัฏฐะมาถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะสุจิรตพราหม์เนี่ยลาเหมืงงนอไนมาถามมาไม่รู้กี่คนแต่กี่คนตอบไม่ได้สักคนเลยชักเหนื่อยเหมือนกันเขาเล่าว่าขณะนั้นเนี่ยสัญชัยกุมารเนี่ยนะลูกของวิทูรพราหมณ์คนที่สองเนี่ยกําลังคบหาภรรยาของคนอื่นอยู่ทีเดียว กำลังไปมีชู้อยู่พอดีเลยลําดับนั้นเธอก็บอกสุจิรตตาพราวว่าคุณพ่อข้าพเจ้ากําลังคบหาภรรยาผู้อื่นอยู่และเมื่อคบหาก็ต้องข้ามแม่น้ําไปฝั่งโน้นมฤตยูคือความตายก็เกลื่อนกินข้าพเจ้าซึ่งกําลังข้ามแม่น้ําอยู่ทั้งเชา้าทั้งเย็นเพราะฉะนั้นจิตของข้าพเจ้าก็เลยคุณมัวว่างันเชา้าเย็นเชา้าเย็นนี่ก็ไปแต่บ้านเมียเขาหนาแน่เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะบอกอัฏฐะบอกธรรมะแก่ท่านได้ เออแต่ไม่ต้องห่วงนะข้าพเจ้ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสัมภาวะกุมารสัมภวะกุมารนี้เป็นน้องชายคนเล็กตอนนี้เขาเมีอายุได้เจ็ดขวบน้องข้าพเจ้านี่อายุเจ็ดขวบแต่มีปัญญาเหนือข้าพเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าเธอจะบอกปัญหาแก่ท่านได้เชิญท่านถามดูเธอก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านสุจิรตพรามมัจจุราชกลืนกินข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็น ถึงถูกท่านถามก็ไม่สามารถจะบอกอัฏฐะและธรรมะแก่ท่านได้ข้าแต่ท่านพราหมณ์น้องชายของข้าพเจ้ามีอยู่ชื่อว่าสัมภวะกุมารเชิญท่านไปถามอัฏฐะและธรรมะกับเธอดูเธอสุจิรตพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเออปัญหานี้เป็นปัญหาอัศจรรย์นในโลกชะลอยจะไม่มีใครชื่อว่าสามารถจะวิสัชนาปัญหานี้ได้ โอยสงสัยไม่มีใครตอบได้แล้วมั่งปัญหาอัฏฐปัญหาธรรมะอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวว่าชาเราเอ้ยปัญหานี้เป็นธรรมะน่าอัศจรยร์จริงเราไม่พอใจเลยชนทั้งสามคนคือบิดาบุตรสองคนก็ยังไม่รู้แจ้งปัญหาธรรมะอันนี้ท่านทั้งหลายถูกถามแล้วยังไม่สามารถจะบอกอัฏฐะและธรรมะนั้นได้เด็กเจ็ดขวบถูกถามถึงอัฏฐและธรรมะจะรู้เรื่องในอย่างไร โอ้ยเนาะคนใหญ่คนโตปุโรหิตปกครองบ้านเมืองตอบไม่ได้เลยให้ไปถามเด็กอายุเจ็ดขวบสัญชัยกุมารพอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยชี้แจงว่าท่านอย่าเข้าใจว่าสัมภวะกุมารเป็นเด็กถ้าท่านมีความต้องการด้วยการวิสัชนาปัญหาท่านจงไปถามเขาดูเถิดเมื่อจะประกาศเกียรติคุณของกุมาร น, น้องชายน้องชายคนเล็กเนี่ยอายุเจ็ดขวบเนี่ยอูย้ฉลาดมากโดยแสดงใจความว่า ดูก่อนพรามท่านยังไม่ได้ถามสัมภะกุมารก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กท่านถามสัมภวะกุมารแล้วจึงจะรู้จักอัฏถะเละธรรมะได้อย่าไปดูถูกนะว่าเขายังเด็กยังเล็กอยู่